๙สติปัฏฐานสี่เหมือนประตูเมืองสี่ทิศวงเล็บเปิด๕เมษายน 2,2552 ในวงเล็บหนึ่งวงเล็บปิดพระอภิธรรมสอนบอกว่าสติปัฏฐานสี่เหมือนประตูเมืองสี่ทิศเข้าประตูใดแล้วก็เข้าเมืองได้คือถึงนิพพานได้ดูกายรวดไปเลยก็ถึงนิพพานได้ตัวอย่างของท่านที่ดูกายจนถึงพระนิพพานคือพระอานนท์ ในพระไตรปิฎกระบุไว้ชัดเลยว่าพระอนนท์ยังราตีสุดท้ายก่อนการสังขยาให้ล่วงไปด้วยกายคตาสติเป็นส่วนมากมีสติไปในกายมีสติรู้กายนะบางท่านก็ล่วงไปด้วยเวทนาท่านที่ล่วงไปด้วยเวทนาคือท่านพระสารีบุตรรู้เวทนาแล้วก็ผลไปบางท่านล่วงไปด้วยการดูจิตรู้จิตตัวอย่างที่ชัดเจนคือท่านพระอนุรุท ธ, ธะท่านที่ล่วงไปด้วยการรู้ธรรมคือใคร คือพระพุทธเจ้าท่านเห็นอริยสัจฉะนั้นสติปัฏฐานสี่เหมือนประตูสี่ด้านเข้าไปถึงความบริสุทธิ์ด้วยกันทั้งหมดเลยกายเป็นของง่ายเวทนาเป็นของยากเวทนายากกว่ากายคนที่รู้เวทนานี่แตกฉานมากกว่าคนรู้กายจิตกับธรรมนะจิตเป็นของง่ายธรรมเป็นของยากคนที่หลุดพ้นไปด้วยการรู้ธรรมนี่แตกฉานภาวนายากกว่ากันฉะนั้นกายกับจิตนี่เป็นของดูง่าย เวทนากับธรรมเป็นของดูยากต้องสติปัญญาแก่รอบจริงๆแล้วทําไมมันต้องมีสองกลุ่มมีกายกับเวทนาอันหนึ่งมีจิตกับธรรมอันหนึ่งเพราะจริตนิสัยของคนมีสองชนิดพวกเราเคยแต่ได้ยินจริตมี6อย่างราคะจริตโทสะจริตโมหจริตวิตกจริตสัทธาจริตพุทธิจริตเราได้ยิน6อย่างจริต6กอย่างนี้เอาไว้ทำสมถะไม่ใช่เอาไว้ทําวิปัสสนาเช่นราคะจริต ไปพิจารณาปฏิกูลพิจารณาอสุภะจิตก็สงบโทสัจจริตไปเจริญเมตตาจิตก็สงบใช่ไหมมุ่งไปสู่จิตสงบโมหะ ก, ก็เจริญอานาปนสติคอยรู้ลมอย่าให้ขาดสติรู้ลมที่กระทบอยู่จิตก็สงบพวกฟุ้งซ่านมากทำอย่างไรดีไปหาทางทำเอาเองขี้เกียจสอนพวกฟุ้งซ่านถ้าพวกศรัทธามากก็คิดถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คิดถึงคุณงามความดีอะไรอย่างนี้ก็สงบได้ โอ้หลวงพ่อเบื่อกับพวกฟุงส่านฟุงส่านแก้ยากต้องใจถึงถึงจริงๆพวกวิตกจริตคิดมากนี่ลำบากจิตไม่สงบพวกผู้ที่จริตคิดถึงอะไรที่ประณีตลึกซึง้งคิดถึงธรรมคิดถึงพระนิพพานคิดถึงอะไรอย่างนี้ที่ลึกซึง้งจริต6กอย่างเอาไว้ทําสมถะจริตเพื่อการทําวิปัสสนามี2อย่างเองคือในเครื่องหมายคําพูดตัณหาจริตกับในเครื่องหมายคําพูดทิฏจริต ฉะนั้นถ้าจะพูดถึงการทำวิปัสสนาเราจะแบ่งคนออกเป็นสองค่ายค่ายของตันหาจริตคือพวกรักสุขรักสบายรักสวยรักงามพวกนี้เหมาะที่จะดูกายและเวทนาเพราะกายกับเวทนาจะสอนให้เห็นเลยว่าไม่สุขไม่สบายไม่สวยไม่งามมีแต่ความทุกข์ไม่ใช่ของดีของวิเศษมันดัดนิสัยอีกจริตหนึ่งคือทิฏฐจริตคือพวกคิดมากเจ้าวความคิดเจ้าวความเห็นจะต่างกับวิตกจริต วิตกจริตนี่คิดเพ้อเจ้อคิดฟุ้งซ่านคิดไร้สาระคิดไปเรื่อยๆที่ติจริตนี่คิดมากมีระเบียบคิดมีเหตุมีผลแต่ว่ามันช่างคิดมันเจ้าความคิดชอบวิเคราะห์วิจัยวิจารณ์แต่ว่าไม่ใช่คิดฟุ้งซ่านจับต้นจับปลายไม่ถูกคิดรู้เรื่องพวกนี้ให้ดูจิตเอาเพราะอะไรเพราะพวกคิดมากจิตไม่มีวันสงบหรอกถ้าจิตไม่สงบจะรู้กายและรู้เวทนายากจิตมันไม่สงบหรือทําความสงบไม่ได้ก็ดูจิตไปเลย เห็นเลยจิตมันฟุ้งซ่านก็รู้จิตมันสงบก็รู้จิตมันเป็นอย่างไรก็รู้รู้ลูกเดียวเลยถ้ารู้จิตถูกต้องก็จะรู้กายด้วยรู้กายถูกต้องก็จะรู้จิตด้วยรู้ทั้งคู่นั่นแหละเวลารู้แจ้งก็แจ้งทั้งคู่ถ้าคนไหนอินทรีย์ไม่แก่กล้าและเป็นตันหาจริตให้ดูกายถ้าอินทรีย์แก่กล้าและเป็นตันหาจริตให้ดูเวทนาอินทรีย์ไม่แก่กล้าและเป็นที่ติดจริตให้ดูจิตเอาง่าย จิตโลภก็รู้จิตไม่โลภก็รู้จิตโกรธก็รู้จิตไม่โกรธก็รู้จิตหลงก็รู้จิตไม่หลงก็รู้ง่ายๆถ้าคนไหนอินทรีย์แก่กล้าและเป็นที่ถิดจริตให้เจริญธรร ม, มานุปัสสนาดูกระบวนการทำงานของธรรมอันนี้ยากยากมากๆแต่ไม่ว่าผู้ใดนะ ภาวนาจะเริ่มต้นด้วยการรู้กายรู้เวทนาหรือรู้จิตก็ตามสุดท้ายจะเข้ามาที่ทำมานุปัสสนาโดยอัตโนมัติขั้นสุดท้ายอย่างไรก็ต้องแจ้งอริยสัจรู้แจ้งอริยสัจแต่บางคนแจ้งแล้วก็บรรยายได้บางคนแจ้งแล้วก็บรรยายไม่ได้ถ้าแจมแจ้งอริยสัจก็ข้ามภพข้ามชาติไม่เกิดอีกไม่มีเวียนว่ายตายเกิดแล้วแจ้งพระนิพพานเต็มที่ความบริสุทธิ์นั้นเท่าเทียมกันหมดเลย ตั้งแต่พะระอรหันต์ธรรมดาๆที่เป็นพระสุขวิปัสส ก, กะจนถึงพระพุทธเจ้าความบริสุทธิ์นั้นเป็นอันเดียวกันหมดเลยแต่ภูมิความรู้ภูมิธรรมความสามารถพิเศษอะไรนี่ไม่เท่ากันแต่ความบริสุทธิ์นั้นเท่ากันทําไมความบริสุทธิ์เท่าๆกันเพราะแจ้งอริยสัจถ้าไม่เห็นแจ้งอริยสัจไม่เรียกว่ามีวิชาหรอกยังเป็นอวิชาอยู่อวิชาคือความไม่รู้อริยสัจไม่รู้ทุก